เหนือมนุษย์กับเทคโนโลยีที่ท้าทายความจริงถามสมมุติว่าวันหนึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พัฒนาไปถึงขั้นที่หุ่นยนต์กลายเป็นมนุษย์จริงๆขึ้นมาคือมีสรีระและประสาทครบถ้วนมีความรู้สึกนึกคิดมีวิธีในการเลือกดำรงชีวิตตามอัทยาศัยและสามารถบอกได้ว่าต้องการนับถือศาสนาอะไร อยากแต่งงานกับคนหรือกับอุญยนต์ด้วยกันอย่างนี้แปลว่าความจริงทางศาสนาบิดเบี้ยวไปหรือไม่เพราะตามหลักแล้วก่อนมนุษย์จะมีตัวตนขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเก่าในอดิตชาติเป็นตัวบรนดาลแต่นี้สร้างขึ้นมาจากศูนย์คงกล่าวว่ามีกรรมเก่าอยู่เบื้องหลังไม่ได้ตอบทราบมาเหมือนกันครับ ว่ามีผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คาดคะเนาว่าจะสร้างมนุษย์เทียมขึ้นมาสำเร็จในไม่ช้าและเป็นการคาดการตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆแต่ดูเหมือนอยังเร็วที่สุดต้องห0สบปีขึ้นไปช้าที่สุดอาจไม่เกิดขึ้นเลยโลกแตกหรือมนุษยชาติสูญพัน์ไปเสียก่อนนั่นหมายความว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้เห็นมนุษย์ประดิษฐ์ตนแรกของโลก จะต้องเกิดวันนี้หรือเพิ่งอายุไม่เกิน20สิบปีมีฉะนั้นคงอดดูเพราะแก่ตายอย่างผมเนี่ยเป็นปุ๋ยไปแล้วชัวร์คำตอบของผมต่อไปนี้ถึงยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ตามหลักความรู้เชิงพุทธไม่ใช่ยืนอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นให้จับต้องได้แล้วนะครับก่อนอื่น ขอตั้งสังเกตสาคัญไว้เป็นอันดับแรกคือเทคโนโลยีสร้างกล้องจับภาพได้สร้างไมรับคลื่นเสียงได้สร้างอุปกรณ์รับกลิ่นได้สร้างได้แม้กระทั่งเครื่องรับสัญญาณไฟฟ้าจากสมองซึ่งบอกได้ว่าสมองกาลังคิดฟุ้งอย่างหนักคิดตริตรองธรรมดาหรือสงบราบคาบจากความคิดเทาว่ายังไม่มีเทคโนโลยีใด สร้างอุปกรณ์ที่รับรู้ภาพเสียงสัมผัสและเกิดความอยากรับรู้ภาพเสียงสัมผัสอันนาชอบใจซ้ำแล้วซ้ำอีกประเด็นคือตราบใดยังสร้างความอยากแบบมนุษย์ขึ้นมาไม่ได้ตราบนั้นไม่อาจมีความรู้สึกว่าเป็นมนุษย์เกิดขึ้นได้เลยเมื่อไม่มีความรู้สึกว่าเป็นมนุษย์ ย่อมตัดสินใจกระทำการแบบที่จะเป็นบุญเป็นบาปไม่ได้ตามหลักความจริงที่พุทธเราทราบกันดีคือเมื่อไม่มีบุญไม่มีบาปวิญญาณแบบมนุษย์ย่อมไม่อาจปรากฏเพราะวิญญาณจัดเป็นวิบากอันเกิดจากบุญหรือบาปไม่ใช่เกิดขึ้นเองลอยๆและไม่อาจสร้างขึ้นด้วยวิธีใดอื่น ขอให้เข้าใจด้วยว่าวิญญาณในที่นี้หมายเอาจิตดวงแรกของชาติหนึ่งหนึ่งเรียกกันว่าปฏิสนธิวิญญาณยกตัวอย่างเช่นวิญญาณจะอย่างลงในคันของมนุษย์ผู้หญิงได้ก็ด้วยกรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นจะไม่มีพลังความบังเอิญหรือกาลังแห่งอกุศลใดๆขับดันให้วิญญาณอย่างลงในคันมนุษย์ได้เลย สิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากมนุษย์ก็เช่นกันล้วนแล้วแต่มีวิญญาณดวงแรกขึ้นมาได้ก็ด้วยบุญหรือบาปทั้งสิน้นจะแตกต่างกันก็โดยวิธีกำเนิดพุทธศาสนาแจกแจงกำเนิดของสัตว์ไว้สี่ชนิดได้แก่หนึ่งชลาู้ชะเกิดในคันเช่นมนุษย์หลิงช้างสองอันทชะเกิดในไข่เช่น ไก่นกปลา 3. ส, สังเสรชะเกิดในใครเช่นนอนที่เกิดจากอินทรียสารของเนื้อซึ่งตากลมจนเน่า 4. โอปปปาติกกเกิดเต็มตัวและรู้ความเองทันทีโดยไม่มีเครื่องอาศัยเช่นพระพรหมเทวดาสัตว์นรกตลอดจนมนุษย์บางพวก เช่นที่ไทยเรารู้จักกันในานามของชาวลับแลบเป็นต้นสำหรับกำเนิดสามชนิดแรกคงไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากเป็นสิ่งที่เราพบกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่กำเนิดชนิดที่สคือโอปปปาติกะนั้นยังหน้ากางขาอยู่เนื่องจากไม่ใช่สิ่งที่ถ่ายรูปมาอวดกันง่ายๆแต่หากวันหนึ่ง เทคโนโลยีสามารถสร้างมนุษย์เทียมขึ้นมาได้จริงๆคือมีระบบประสาทร่างกายเหมือนมนุษย์เป็นที่รองรับความรู้สึกสุขทุกข์ได้เหมือนมนุษย์เป็นที่รองรับความทรงจำได้เหมือนมนุษย์เป็นที่รองรับเจตนาเลือกสิ่งชอบใจได้เหมือนมนุษย์เป็นที่รองรับการรู้เห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมทั้งทางใจได้เหมือนมนุษย์วันนั้นแหละ ที่โลกเราจะได้เห็นโอปปัตติกะตัวเป็นๆอันเกิดจากเทคโนโลยีกันเทคโนโลยีอาจสร้างระบบประสาทเลียนแบบร่างกายมนุษย์ได้แต่ไม่มีทางสร้างปฏิสนธิวิญญาณเลยทางเดียวคือต้องตั้งโจทย์ว่าเทคโนโลยีจะทำอย่างไรให้เกิดปรากฏการเหนี่ยวนำวิญญาณที่เหมาะสม ให้มาอย่างลงในร่างเทียมนั้นๆถ้าทําได้จริงก็อาจจะสนุกกันใหญ่แล้วครับเพราะหากเกิดขึ้นเต็มตัวเลยรู้ความเลยแล้วสามารถจดจําได้ว่าก่อนอย่างลงมาประกอบกับร่างเทียมที่เนรมิตขึ้นโดยเทคโนโลยีนั้นตนเองเคยเป็นอะไรอยู่ในพบใดมาก่อนคงมีการบอกเล่าเรื่องต่างพบต่างภูมิกันทั่วไปใครอยากเอาไปแต่งเป็นนิยายก็เชิญได้นะครับ ช่วยส่งมาให้ผมอ่านด้วยก็รับกัน